บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดเรื่องสังโยชน์กันมาโดยลำดับซึ่งจะเห็นว่าลำดับสังโยชน์ที่ท่านเรียงไว้แนวนีดน้ดันเป็นการเรียนจากโมหะอย่างหยาบได้มาสู่โลภะโทสะ แล้วกลับก็สู่โมหยซึ่งแสดงให้เห็นโดยภาคของการปฏิบัติว่าการศึกษาปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นจะ ต, ต้องเริ่มต้นด้วยปัญญาระดับหนึ่งจะน้อยก็รู้บาปขุนขุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์และการปฏิบัติธรรมะในส่วนอื่นก็จะบังเกิดขึ้นได้ เพราะในเรียงอริยมรรคมีองค์แปดประการจึงทรงเรียงเอาปัญญาขึ้นไว้ข้างบนคือสมาธิิปัญญาดิชอบและสมาสังกปะดริชอบแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วเมื่อเราปฏิบัติในตอนตอน้ตนๆสมาธิสัมมาสังกปะก็ไม่สมบูรณ์อะไรแต่ว่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้น เมื่อศีลมีความประนีตขึ้นจิตใจมีความประนีตขึ้นตัวปัญญาก็จะมีความประนีตขึ้นผลสรุปผลรวบยอดก็คือส ม, มูลทั้งศีลสมาธิปัญญาในการปฏิบัติจึงเริ่มต้นที่ปัญญาและจบลงที่ปัญญาสมบูรณ์ปัญญานั้นตรงกันข้ามกับอวิชชาและตรงกันข้ามกิเลสประเภทโมหะ ตอนเวลาพูดถึงกิเลสมันก็เริ่มที่กิเลสประเภทโมหะก่อนแล้วก็มาดับที่กิเลสประเภทโมหะที่ละเอียดคือรากงาวของกิเลสได้แก่อ ว, วิชชาจึงจะเข้าถึงความสมบูรณ์มายความพอถึงจุดนั้นเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วกิเลสที่มีชื่อต่างๆก็หมดไปอย่างสิ้นเชิง ที่ท่านเรียกร่างฐานว่าบารรลุอาสวัคยานคือพยานที่ทำอาสวะให้หมดไปจากจิตใจของท่านสังโยชน์ที่กล่าวมาโดยลำดับเจข้อแดข้อนั้นสกายติทิความิเห็นเป็นถือตัวถือตนมีตัวมีตนหรือเป็นตัวเป็นตนก็เป็นอาการของโมหะ วิจิกิจฉาความเคลือแคลงสงสัยไม่แน่ใจในคุณพระตนไ ร, รเป็นต้นนั้นก็เป็นอาการของโมหะคือรู้ไม่จริงการถือมั่นโดยศีลวัด้วยข้อปฏิบัติที่ร้ายเหตุผลหรือว่าประยุทธ์มัน่นหรือมั่นในจุดใดจุดหนึ่งแล้วปฏิเสธในจุดอื่นก็จะเป็นกิเลสประเภทโมหะการมาคะจิตที่เหนียวนึกตรกึนึกด้วยอานาจความใคร่ในวัตถุที่ตนใคร่ เป็นไครในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่เป็นอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีแสดงว่าภายในใจนั้นมีกิเลสประเภทนี้อยู่เราเรียกกิเลสประเภทโลภะกือ ป, ประเภทที่คว้าก็มาหาแต่เป็นการพูดระดับเหนียวนึกตรึกนึกไม่จะพูดระดับที่ล้นออกมาข้างนอกเพรถ้าล้นออกมาข้างนอกเป็นการกระทาเป็นคาพูดมันก็เป็นความปิดระดับศีล แสดงถึงอาการหยาบของกิเลสตอนนั้นแต่ในกรณีนี้ที่จริงกิเลสก็ละเอียดลงไปไม่ถึงกับพูดกระทำด้วยอาํานาจของการมราคะแต่ว่าคิดด้วยอาํานาจของกรมราคะหรือว่ากิเลสประเภทกรมราคะนั้นยังเป็นตะกรนใจยังเป็นสนิมใจอยู่และพร้อมที่จะฟูขึ้นมาครอบงําใจเมื่อมีอารมณ์ภายนอกมากระตุ้นหรือว่าจิตใจเป็นแนวนึกตึกนึกขึ้นมา ตอนนี้ก็กินเป็นกิเลสประเภทโลภะหรือประเภทราคะพอต่อไปก็คือกับปฏิฆะเป็นความรู้สึกประเภทโทสะแต่ลดหย่อนความรุนแรงลงมาแล้วมันมีแต่อาการรู้สึกไม่พอใจรู้สึกรำคาญ ร, รู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยไม่ปรากฏทางสีหน้าไม่ปรากฏทางแววตาไม่ปรากฏทางการกระทําหรือว่าคําพูด เพียงแต่สงบอยู่ข้างในแผดเผาก็แผดเผาอยู่ข้างในคนที่รู้อาการของเขาก็คือใจคนแต่ละคนนั่นเอง겉 น, นอกก็ไม่เคยรู้ถ้าเป็นกิเลสประเภทนี้แต่นั่นก็คือกิเลสประเภ ท, ท, ท, ทโทสะมีการทําลายล้างในข้อต่อไปรู ป, ปราคะถ้าหมายความมาแยกเดียวออกไปคือพูดข้อเดียว ก็หมายรวมถึงความกำหนัดรักใคร่พอใจในวัตถุทั้งหลายแต่ถ้าเป็นการเรียงมาในระดับนี้ก็ถือว่าเป็นความกำหนัดพอใจติดใจอยู่ในความสุขซึ่งตนได้จากการเจริญสมาธิจนถึ ง, ถงได้ฌานสิ่งตรงนี้ที่จริงแล้วระดับหนึ่งเขาก็ดีแต่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานในพระพุทธศาสนา เพราะว่ามีความเพลิดเพลินมีความพอใจติดใจยอยู่ในสุขเวทนาที่ได้จากการเจริญฌานด้วยการการเข้าฌานด้วยการมรุจุานพันธุท่านถือว่าเป็นอุปสรรคในระดับหนึ่งซึ่งธรรมะปฏิบัตินั้นมีลักษณะเหมือนการเดินทางพระเจ้าจึงเรียกข้อปฏิบัติว่ามรี่แปลว่าทาง เราเดินจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งระหว่างเส้นทางนั้นอาจจะเจอภาพสวยงามสถานที่สวยงามเหตุการณ์น่าสนุกสนานตื่นเนต้นถ้าคนจิตใจอ่อนไหวขาดความรับผิด ช, ชอบในเป้าหมายที่ตนต้องการจะไปกว่าจะแวะเวียนเข้าไปในสถานที่นั้นกำนัดสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับสถานที่นั้นซึ่งว่าที่จริงเขาก็เดินมาแล้วะยะหนึ่ง แต่ว่าไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะมัวกำนัดเพลิดเพลิอนอยู่ในสิ่งต่างๆที่ตนประสบระหว่างทางดังนั้นความรู้สึกประเภทรูร ป, ปราคะอรู ป, ปรากะก็มีลักษณะอย่างนั้นคือไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายโดยส่วนเดียวแต่ว่าสำหรับคนที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางทึ่สูงไกลกว่านั้นจะต้องมองเห็นโทษแล้วก็เพียงพยายามลดละ ในชั้นนี้ถือว่าประณีตมากเพราะว่าโดยปกติแล้วจะไม่แผดเผาใจให้ร้อนอะไรเพียงแต่ว่าจะน่วงเหนียวเอาไว้ไม่ให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์คือทุกขในการเวรีทว่ายตายเกิดแต่จริงท่านก็สวยสุขโดยผลของฌานทั้งรูปฌานอละรูปฌานของกัานมันเราจะพบว่ารูปราคะอรูปราคะ การเรียงลําดับของสังโยชน์นั้นหมายถึงความกําหนัดยึดติดอยู่ในผลของรูปิชาและรูปิชาในเดียวกันยึดติดแล้วก็หยุดความเพียนพยายามของท่านอาลาดาบุตรกาลามโคตุทกดาบุตรรามบุตรอาจารย์ของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะสัตย์รู้นั่นเองอันที่จริงเมื่อท่านตายไปแล้วท่านก็บังเกิดเป็นพรหม ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็มีความสงบท่านเข้าฌานอยู่ในสมาธิอยู่เป็นปกติเพราะอารมณ์ที่มาโยโยนทั้งหลายมันก็ทำอะไรท่านไม่ได้แต่ว่าพวกเรานี้กำเริบได้เปลี่ยนแปลงได้ตอนนอนใคล้ๆเราหายป่วยจริงแต่ว่ามันก็พร้อมที่จะป่วยอีก แต่ร้าจึงถือว่าเป็นเครื่องผูกใจสัตว์เอาไว้ให้หมุนวนอยู่ในสังสารัทุกข์คื อ, อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในข้อที่แปที่เราเรียกว่ามานะเราจะสังเกตได้ว่ามันเกิดสืบเนื่องมาจากกิเลสประเภทตนๆมานะนั้นจึงสืบเนื่องมาจากความรู้สึกว่าเรานั้นเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตน แล้วทําให้ใจไขว้คว้าเพื่อสนองตอบความรู้สึกเป็นตนหรือว่ามีตัวมีตนขึ้นมาเพราะมานะจึงไปดึงเอาสิ่งต่างๆที่ตนรู้สึกว่าดีว่าเด่นว่าเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการดูหมิ่นคนอื่นบางทีเป็นเรื่องผลความเปลี่ยนพยายามของคนอื่นเช่นดึงเอาคุณสมบัติของพ่อแม่มาคุผูกรองคนดื่นเราตระกูลสูงกับคนอื่น แต่ทางที่ตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนอะไรทําให้สกูลสูงเพียงแต่ว่าเกิดมาในะกูลสูงเท่านั้นยังไม่ได้มีมผลงานในลักษณะเชิดชูสกุลแต่เราก็ไปยึดติดเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องเชิดชูตัวเองอาจจะถือว่ารูปร่างเราดีกว่าเขาอาจจะถือความรู้เราดีกว่าเขาอาจจะถือฝีมือเราดีกว่าเขาอาจจะถือาอายุเรามากกว่าเขาเป็นต้นคือมันเกิดได้ยยเยอะแยะไปหมดเลย นี่คือลักษณะของจิตที่ไปนเหนียวเอาเราจะเห็นว่ามันมีทั้งอาการของโมหะอาการของโทสะและอาการของโลภะแต่มันละเอียดอาการของโมหะก็คือไม่รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจว่เราเป็นความเป็นหน้าตานั้นเป็นเรื่องสมมติบัญญัติกันขึ้น แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามการกระทําของเราเพราะ้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นอะไรก็ตังเยอะแยะและเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้เป็นจริงเพียงแต่ว่าในระดับของสมมติสัจจานั้นเมื่อเราเป็นอะไรก็เป็นให้ได้เป็นให้ดีเรก็เป็นให้เป็นปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วเมื่อเลิกเป็นก็คือเลิกเป็นจิตใจจะไม่ไปเกี่ยวเกาะไปยึดถือในความเป็นเหล่านั้นตัวเอง จะทําให้สามารถปล่อยสามารถว่างสามารถรับผิดชอบได้ตามสมควรแก่ดกรณีนั้นๆแต่บางอย่างนั้นเป็นเรื่องที่รับการแต่งตั้งมอบหมายให้เป็นซึ่งที่จริงก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราปฏิบัติภารกิจการงานคล้ายๆกับพระบรมราชองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประธานแก่พระเทระระดับที่เป็น พระครูพวกราชาคณะหรือพวกเจ้าคุณทั้งหลายมันมีข้อความตอนหนึ่งบอกว่าขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์อนุเคราะห์พระภิกษุสามนเณรในอารามโดยควรเทิดซึ่งแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นใบอาราธนาแล้วก็มอบหมายภารกิจศาสนาไว้ให้ เพเมื่อถูกสมมติให้เป็นก็จะเกิดความกระตือรือร้นที่จะเป็นให้ได้จะเป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นโดยการปฏิบัติภรารกิจที่รับมอบหมายมาให้เต็มตามความสามารถของเราตรงนี้มันก็เป็นแรงผลักดันให้คนเกิดความกระตือรือร้นที่จะรักษาสถานภาพของตนเพราะมานะบางระดับเนี่ยจึงไม่มีปัญหาอะไร ไม่เป็นการช่วยเสริมสร้างสํานึกในแนวเสริมอัตรัญยูตาคือรู้ว่าตัวตัวเองเป็นใครมีภาระหน้าที่อย่างไรแล้วก็ปฏิบัติภาระหน้าที่เหล่านั้นให้ดีที่สุดตามจังหวะตามช่วงโอกาสที่เราเป็นพอช่วงใดเราไม่ได้เป็นคือเปลี่ยนแปลงไปก็คือเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ใช้โอกาสดังนั้นเน่ย ปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรแก่ฐานะในขณะนั้นๆั้นซึ่งหมายความว่าความเปลี่ยนแปลงจากการเป็นที่มีการสมมติปัญญาชนนั้นเราก็เป็นอยู่เรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแม้แต่ในช่วงนี้ท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ฟังธรรมะฟังไม่นานเทา่าไรสามสิบนาทีก็เปลี่ยนเป็นผู้เจริญกรรมาฐานเจริญกรรมาฐานเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นผู้ชี สุดมนต์แผ่เมตตาสุดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็เปลี่ยนบางท่านก็อาจจะกลับบ้านไปก่อนบางท่านอาจจะฟังระสูตรต่อแล้วฟังไปแล้วหนึ่งชั่วโมงก็เปลี่ยนอีกก็แล้วแต่ว่าใครจะไปทำอะไระเป็นอะไรเพราะแต่และช่วงก็คือจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบตามฐานะที่เราเป็นบางครั้งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเป็นนาที แต่ก็ว่าแต่ละหน้าที่นั้นก็พยายามเป็นให้ได้เป็นในดีแล้วก็เป็นให้เป็นเป็นให้ชอบอยู่ในกรอบในขอบข่ายของความถูกต้องดีงามที่จะพึงปฏิบัติให้เป็นไปเพราะในจุดนี้ก็คือแนวของเรียกว่าสมณะสัญญาคือสมนึกว่าเราเป็นใครแล้วว่าําหน้าที่ของเราให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่เราถูกกาหนดให้เป็นในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็ตามลักษณะที่แรงซึ่งมาเกิดขึ้นแต่ไม่จะเกิดขึ้นระดับจิตใจของคนที่ผ่านการเป็นพระนาคามีมาแล้วแต่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของสามัญชนเช่นอติมาณนะดูหมิ่นคนดื่นโดยลาบโดยยศโดยชื่อเสียงโดยความสุขโดยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่ก็แล้วแต่จะดึงมาอันนี้แรง คือเป็นอติมานะที่ไปซ้อนอัตตาเข้าไปในตัวตนทําให้อัตตาเรารู้สึกมันใหญ่ใหญ่กว่าคนอื่นจะนั่งก็ต้องพิเศษกว่าคนอื่นจะยืนก็ต้องพิเศษกว่าคนอื่นเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็พิเศษกว่าคนอื่นอาหารการกินนะแม้แตท่ที่รับประทานตลอดทั้งเครื่องมา้าเครื่องมือในการรับประทานก็ต้องเหนือไปหมดเลยนั้นแสดงเห็นตังมานะเป็นรูปของอาหารการก็ถือว่าเราเป็นเราเป็นเราเป็น แล้วก็เสริมสถานะความเป็นคนงตนถ้าได้เราก็โลภอยากได้มากยิ่งขึ้นถ้าเกิดไม่ได้ไม่มีการสนองตอบไม่มีใครยอมรับสถานะเหล่านั้นเราจะเกิดโทสะจะเกิดความโกรธและถ้าคนทั้งหลายไม่ยอมรับเราหมดเลยเราก็เกิดโศกะคือความโข ก, กับแค้นใจเสียใจเราไม่รับเกียรติจากสังคมแล้วเราไม่อยู่ในที่นั้นแล้วบางครั้ง อาจจะหนีออกไปจากสถานที่นั้นเป็นต้นซึ่งแสดงเห็นว่ามณะบางระดับที่มันหยาบจะมีความรุนแรงจนบางครั้งบางคราวนี่เกิดเป็นสงครามเราํานองสงครามโลกครั้งที่สองเราจะเห็นว่ามันเกิดจากความรู้สึกของฮิตเลอร์ที่นอกจากการิสยาพวกยิวแล้วก็คือดูมิ่นพวกยิว แล้วก็ถือว่าตัวเองเป็นเผ่าอารยันเป็นเผ่าที่สูงสุดพวกจิวนั้นเป็นพวกคนป่าคนดอนประกอบการิษยาในความเจริญเข้าหน้าของชนชาติอยู่และในสุดก็มีการปลูกระดมกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นนาซีกระบวนการนาซีแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปก็กลายเป็นสงครามที่รบราคะขวัญกัน ถามวสืบเนื่องมาจากอะไรสืบเนื่องจากการดูหมิน่นแล้วก็การดิสยากัถ้าเรายอมรับต้องถือกันเราก็ไม่ลงเกินสิทธิของชีวิตกันได้กันเพราะถือว่าชีวิตแต่และชีวิตก็คือเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่จะตายด้วยกันแต่การเกิดเป็นรูปศึกสงครามนั้นจะเห็นว่าฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับถึงสิทธิในชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งหมายความว่าบางทีก็ไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน แล้วเมื่อมีการปฏิเสธสถานะความเป็นคนหรือความเป็นมนุษย์กันแล้วการเบียดเบียนการมะทุจร้ายกันก็เกิดขึ้นแล้วก็แรงขึ้นไปจนกลายเป็นสงครามโลกได้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นสงครามราเมเกียนมันก็มีแนวนั้นสงครามในเรื่องพระภัยมณีการทะเลาะวิวาทกันในเรื่องขุนช้างขุนแผนในเรื่องของอินเนาอะไรแต่อะไรที่เราเรียนมาจะมาจากโครงสร้างเดียวกัน คือาดการยอมรับนับถือแล้วก็ดูมินอีกฝ่ายนึ่งจนมาครั้งชี้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ทรยศเป็นกบฏเป็นในแต่ใดก็ว่าไปเพื่อให้ตนรู้สึกว่ามีความชอบธรรมที่ตนจะทำลายล้างชีวิตของบุคคลเหล่านั้นนั้นก็คืออาการของกิเลส อ, อาจจะเกิดจากมาณะอาจจะเกิดจากโลภะอาจจะเกิดจากความเห็นผิดอะไรก็ตามแต่สรุปว่า เป็นอาการของกิเลสมันสังโยชน์ข้อนี้จึงเป็นสังโยชน์ที่ลึกๆแล้วคนจะแก้ได้ยากมากเนคนละกิเลสประเภทมานะได้ก็มีพวกเดียวคือพระอาาหาันคนประเภทอื่นระดับอื่นก็เพียงทำได้แค่ลดลงไปเพราะอรเพราะมานะบางอย่างมันประณีตมากมันดูไม่เห็นเป็นอาการของกิเลสเพียงแต่ว่าหน่วงเหนียวให้ยึดติดอยู่ในภพระนั้น สังยชประเภทต่อไปก็คืออุทจจะท่านสาชนจะสังเกตได้ว่าอุทจจะในที่นี้จะไม่มีคำว่ากุกุจจะอยู่ด้วยคำอุทจจะเป็นอาการไม่สงบของจิตท่านเรียกว่าเป็นอาการของความพุ่งสั่นการสัดสายการเลื่อนลอยการเมื่อลอยของจิตแต่พวกนี้ไม่ถึงก็กุกุจจะคือไม่ถึงก็งุนหงิดราคาญอะไร นั่นคือจิตใจของคนระดับพระอนาคามีท่านคงจะมีความฟุ้งอยู่บ้างคือไม่สงบร้อรเซนแต่ไม่จะฟุ้งไปด้วยอานาจของโลพาโทสะเพราะกิเลสประเภทโลพาโทสะนั้นทนละได้หมดแล้วเพียงแต่จะฟุ้งอีกระดับหนึ่งก็ถือว่าฟุ้งเหมือนกันก็คือไม่นิ่งเนี่ยแม้แต่จะแกว่งนิดนิ ด, นดก็ถือว่าไม่นิ่ง แต่สำหรับสามัญชนทั่วไปสัญลัณตัวนี้จะมีความเข้มข้นอยู่สูงแล้วแสดงอาการพื้นฐานจิตมาสูงอาการที่เป็นพื้นฐานจิตนั้นก็คือดิ้นรนกัดแกงห้ามยากรัะสาจากมักจะเหนียวนึกตรึกนึกแล้วก็คล้าอารมณ์ในเรื่องที่ตัวใคร่ตัวปรารนาตัวพอใจบางครั้งแม้ คนอื่นเขาจะไม่พอไม่ปรารถนาไม่พอใจแต่ตนเองก็จะกำหนัดเพลิดเพลิน อ, อยู่ในสิ่งเหล่านั้นเป็นการแสดงถึงความคิดปักใจขวางใจไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าหลายๆเรื่องเพราะอการของความพุ้งสั้นพระพเจ้าจึงท่งอุปมาให้เห็นอุปมาถึงสภาพของจิต ว่าจะเป็นเหมือนน้ำที่ขุนธรรมดาน้ำที่ขุนเนี่ยเราจะมองดูเงาหน้าของเราไม่เห็นได้ชัดปัญจจิตใจที่ถูกอุตจะกุรุ่มอยู่ก็มีลักษณะอย่างนั้นบาลีจนเรียกว่าเจตสูอ so วุปสัมะคือความไม่สงบของจิตเป็นลักษณะการสายไปของจิต แล้วจะไม่รู้เห็นเหตุผลเพราะว่าใจไม่ยอมสงบอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแล่นไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าระดับหยาบเล่นไปทุกอารมณ์อาจจะเล่นไปทางสายโลภะโทสะโมหะอิจาริษยาคือเล่นไปได้เรื่อยๆแต่ไม่ใช่อยู่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะนาน ถ้าอยู่จุดใดจุดหนึงโดยเฉพาะนานๆก็เป็นอาการของพวกกา ร, รมชันพวกพยาบาทในน้บอทไปพรักษณะการฟุ้งสั้นจนถึงก็งวยจำคาญนั้นไม่จดจ่ออยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเป็นลักษณะกร ะ, ะกดุ่มเร่าร้อนฟุ้งสั้นเลือดลอยมือลอยอะไรต่อไรก็ไปแต่ั้านสงอุปมาเห็นว่า มันเหมือนกับคนติดคุกธรรมดาคนติดคุกนั้นจะคิดไปสารพัดคิดแต่คิดแล้วตัวเองก็อยู่ในคุกออกไปจากคุกไม่ได้เพราะยังติดคุกอยู่จิตใจที่มีความพุ่งสร้างก็เป็นอย่างนั้นแล้วนั้นจึงทรงสอนให้มองเห็นโทษเหมือนกับการติดคุก แม้จะไม่ถึงกับพันธนาการอะไรก็ตามแต่ว่าจะไม่มีอิสระและจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองได้ตัวเองอยากได้ไม่ได้เป็นที่อย่างที่ตัวเองอยากเป็นเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นถืเป็นนักโทษก็เป็นนักโทษไปแต่ถามว่าใจแล้วจริงก็ไม่อยากเป็นตรงนั้นมันก็คิดพุงส่านไปดิก ดังความคิดเหล่านี้จะไม่ทำใจให้สงบเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของใจอย่างหนึน้แล้วก็ได้สิ่งที่เราเรียกตรงนี้จริงๆเรียกว่าเจตสิก ค, คือเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตมัน ม, ม, มีอาการเดียวก็คล้ายๆกับต้นไม้ซึ่งมันแป่งอยู่แล้วแล้วมาเจอกระลมแรงๆก็แก่กันใหญ่ จิตใจคนก็มีลักษณะอย่างนั้นคือธรรมชาติเขามันก็แกว่งอยู่นะแล้วมาเจอกิเลสประเภทแกว่งเข้าไปด้วยก็เลยก็แกว่งเพราะงั้นเวลาประทบอารมณ์ทางประสาทสัมผัสในตรงนี้บางครั้งเนี่ยท่านก็สอนในรูปของการใช้ปัญญาพีนิปีจันณา์ในบางครั้งก็สอนให้ทาจิตให้สงบเสียเพราะเป็นกิเลสประเภทโมฆะ พระนั้งหลายจะเห็นว่ากิเลสประเภทโบหะนั้นบางทีเราก็แก้ด้วยปัญญาซึ่งเป็นการแก้ใ้ทางตรงแต่บางทีก็แก้ทางอื่นเช่นมัน จ, จิตเจริญเมตตาเมตตานั้นที่จริงแก้กิเลสประเภทโทสะหรือแก้กิเลสประเภทโมะแก้กิเลสประเภทโลภะแต่เมื่อใจอยู่กับธรรมะคือเมตตา แสดงว่าในขณะนันใจก็ไม่ฟุง้งเมื่อไม่ฟุ้งก็หมายความว่าความฟุ้งมันก็ต้องส ง, งบเพราะใจไปอยู่กระทำอะความฟุ้งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาปรุงแต่งใจได้อีกแนวหนึ่งซึ่งเป็นแนวหลักก็คือการพยายามปฏิบัติทําใจส ง, งบด้วยอารมณ์ของสมถกรรมฐาน ให้ลองสังเกตว่าอารมณ์สมาาถะกรรมฐานนั้นจะเอาจิตไปเกาะไว้ในที่ใดที่หนึง่งเช่นสมมุติเราจเจริญพุทธานุสติก็อยู่กับคุณของพระพุทธเจา้าอาจจะอยู่ระดับการไหว้พระสวดมนต์ให้กายวิาจาใจสอดรับอยู่กับ บ, บทพระพุทธมนต์ที่เรากำลังสวดสันสญอยูย่ใจก็ไม่ได้ออกไปข้างนอก คือไม่ไปรับอารมณ์ข้างนอกมันก็ฟุ้งไม่ได้เพราะในขณะนั้นใจอยู่กับกุศลธรรมบางคร้ง บ, บางคราวก็อาจจะใช้การภาวนาหรือเพ่งดูเช่นการเพ่งดูพระพุทธรูปการเพ่งดูสีแสงเสียงต่างๆ ให้จิตสงบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในขณะนั้นเมื่อจิตมันอยู่ตรงนั้นมันก็ไปฟุ้งไม่ได้คือมันไม่ฟุง้งคือถูกจับให้นิ่งแล้วนิ่งแล้วมันก็ก็ไม่ฟุง้งคือเป็นธรรมชาติของมันหรือบางครั้งบางคราวเราอาจจะนำเอาพระพุทธคุณเี่มาสวดสาธยายจะได้ให้ปากก็สาธยายไปใจก็กำหนดไปหูก็ฟังไปมือก็อาจจะพนมไหว้ไป แสดงวิยาบทรเราก็ถูกใช้ไปเพื่อให้อยู่กับพระรตนาใจเกาะยึดอยู่กับพระรตนาตรก็ช่วยใจสงบได้บางทีก็จะเินไปจนถึงขั้นที่เป็นสมาธิอันนี้แน่นอนถ้าใจมาเดินถึงขั้นนี้ความสงบก็มีประมาณเพิ่มขึ้นประเด็นสำคัญของการปฏิบัติก็คือว่า พยายามเพิ่มพูนสติสมัมปชัญญะให้สูงขึ้นเพราะสติสมัมปชัญญะนั้นแม้จะแปลว่าสั้นไปในอรารมณ์องไยแต่จะมีปัญญาเข้ากำกับวินิจฉัยในจุดใดที่ไม่ควรจะสนใจก็ไม่สนใจในจุดใดที่ควรสนใจก็ทำใจสงบอยู่ในเรื่องนั้น หรือว่าใช้ปัญญาพิเนปิจนาของซึ่งสิ่งเหล่านั้นเมื่อปัญญาไปพิจารณาสิ่งนั้นๆู้่ใจมันก็ไม่มีไม่มีโอกาสฟุ้งเพราะว่าใจรับอารมณ์ในขณะเดียวได้เพียงอย่างเดียวในเมื่อใจแกไปเหนียวนึกไปตรึกนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลอย่างอื่นจู่การตรึกนึกด้วยอำนาจของความฟุ้งสัน้นทัาสายก็ไม่เกิดขึ้น ทั้งหมดจึงกลายเป็นอุบายวิธีที่จะสงบใจจากสังโยชน์ทั้งหลายซึ่งผูกใจสัตว์ในโลกเอาไว้แม้จะทรงแสดงธรรมะไว้โดยอนเนกกระปรยายเขนยนิยตต่างๆอย่างไงก็ตามแต่เมื่อเราสามารถที่จะน้อมจิตให้ไปเกาะติดอยู่ที่คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประส์ หรือแม้แต่อารมณ์อื่ น, นๆที่ไม่ใกล้ต่อกันลูกโพรงของกิเลสเนี่ยจะเป็นเหตุให้ใจมีความสงบ ม, มีความเยือกเย็นลึกซึ้งลงไปโดยดําดับถึงนั้นก็หมายความว่าอาการของความฟุ้งส่้นจนถึงรําคาญที่ทั่วไปแก่สาธุชนแก่สามัญชนทั้งหลายเนี่ยมันจะค่อยๆสงบลงไป ใจขก็คนแต่ละคนก็จะเป็นกรรมนิยะคือใช้งานได้สามาี่จะเสริมสร้างอัตถประโยชน์ต่างๆทั้งระดับศีลระดับธรรมะระดับสมถะระดับวิปัสนาให้เกิดขึ้นภายในใจคนตนนั่นก็คือการพัฒนาใจก็สุขันลองแห่งธรรมะที่มีความสะอาดมีความสงบมีความสว่างเยือเกเย็นปรากฏขึ้น ซึ่งการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องจีตจะต้องทําค่อยๆทาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงแข็งแรงขึ้นมาโดยลําดับเพราะมาถึงจุดหนึ่งเท่ากับลังเรียบแรงของจิตใจสามารถขจัดวิจิกิจฉาสามารถขจัดอุทะจักกุกุจจกหรือว่าอุทะจักเฉยๆหรือตั้งกุกุตั้งกุกุ จ, จักคือพุ่งสร้างราําคาญลงไป ความสงบอันเป็นจุดประสงค์ก็จะบังเกิดขึ้นได้เมื่อมีการใช้ความเพียรพยายามที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าอันนิกิตะธุโรคือไม่ทอดทิ้งธุระทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำกันไปโดยลำดับเท่าที่โอกาสจำเนยให้แล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติเสมอต่อจา น, นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป